ฉิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกรโรเนตุเมลาเภนะอุตโตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพพทาฉิมพลีจะมหาเทโรเทวตานร ปูชิโตโสระโหปัจจัยาทิมหิมหาลาพังกโรเนตุเมลาเพนะอุตตะโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจจัยาทิมหิ มหาลาพังกาโรเนตุเมลาเภนะอุตตโมโหติสัพพลาพาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกาโรเนตุเมลาเภนะ อุตตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพพทาฉิมพลีจะมหาเทโรเทวตานระปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกรโรเนตุเมลาเภนะอุตตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุ สัพพทาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรเนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพพทาชิมพลี จะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโสระโหปั จ, จยาทิมหิมหาลาพังกโรเนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพพทาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโต โสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรเนตุเมลาเภนะอุตตโมโหติสัพพลาพาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพัง กโรเนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพธาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปั จ, จัยาทิมหิมหาลาพังกรโรเนตุเมลาเพนะอุ ต, ตโตโหติ สัพพลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานระ ป, ปูชิโตโสระโหปจจัยาทิมหิมหาลาพังกโรเนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพพธา ชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรเนตุเมลาเพนะอุ ต, ตโมโหติสัพพลาพาพระวันตุสัพพทาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานร ปูชิโตโสระโหปัจจัยาทิมหิมหาลาพังกาโรเนตุเมลาเภนะอุตตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพพธาฉิมพลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจัยาทิมหิมหาลาพัง กโรเนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพธาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกรโรเนตุเมลาเพนะอุตโตโหติ สัพพลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปจจยาทิมหิมหาลาพังกาโรเนตุเมลาเพนะอุตตะโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพพธา ฉิมพลีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกาโรเนตุเมลาเพนะอุตโตโมโหติสัพพลาภาพระวันตุสัพทาฉิมพลีจะมหาเถโรเทวตานระ ปูชิโตโสระโหปัจจัยาทิมหิมหาลาพังกโรเนตุเมลาเพนะอุตตโมโหติสัพพาลาภาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจัยาทิมหิ มหาลาพังกาโรเนตุเมลาเภนะอุตตโมโหติสัพพลาพาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังกโรเนตุเมลาเภนะอุตตโม โหติสัพพลาพาพระวันตุสัพพธาชิมพลีจะมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปจจยาทิมหิมหาลาพังกโรเนตุเมลาเพนะอุตโตโมโหติสัพพลาพาพระวันตุสัพพธา